อย่าส่งใจไปทางอื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีปรัชจิ ต, ตวิชาญาทรงรู้วารจิตของบุคคลอื่นพระองค์มีอ า, า, าสายานุสัยญาณ ทรงรู้อัธยาศัยหรือวาสนาบารมีของบุคคลในว่าเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นอุบนิสัยแห่งมรรคผลของบุคคลผู้ที่มาฟังมานั่งอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์แล้วนั่นน่ะ นั่นแหละพระ อ, องค์จึงทรงแสดงอนุบุพิกถาแล้วก็ทรงแสดงให้ครือหัดฟังไม่ได้ทรงแสดงให้บรรพชิตนี่ก็พึ่งเข้าใจความมุ่งหมายของอนุบุพิกถาเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนั้นครั้งแรกก็ทรงแสดงแก่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 ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้แล้วในคืนวันหนึ่งก็จึงได้หาโอกาสหนีออกไปจากปราสาทเหล่านั้นก็ด้วยอำนาจบุญวัดสนาบารมีนั่นแหละเดินบนไปที่นี้บุ่นวายโนอที่นี่ขัดขอ้องหนอ เดินไปแล้วก็บนไปพอไปใกล้ที่ประทับของพระศาสดาซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตันะมะลึกพัทยวันนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้ทรงฟังเสียงของยศคุณระบุบบนมาอย่างนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนยศคุณระบุบที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านจงมาแล้วจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อยศคุณลูกุได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ทรงก็ดีอกดีใจมากก็ถอดรองเท้าแล้วก็ถอดสดาที่สวมอยู่บนสีสีสะออกไป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 สสัพพกถ า, าว่าด้วยสวรรค์อันเป็นผลของการให้ทานและรักษาศีลในบริสุทธินั้น 4. ทรงแสดงกามาทินวะกถาว่าด้วยเรื่องโทษของกามคุณ กรารมคุณนี้จะเป็นกรารมคุณของมนุษย์ก็าตามเป็นกรารมของเทพเจ้าเหล่าเทวาใดๆก็าตามล้วนแต่มีโทษทั้งนั้นแหละลนวันนี้ก็ห้าในขมานิสังสกถาทรงสแสดงอนิสงส์แห่งการออกจากกรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้น สุดท้ายก็ได้ทรงแสดงอริยสัจเจธรรมทั้งสี่จบลงยศกุะบุตรก็ได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึกตลอดชีวิตเมื่อปฏิ ญ, ญาณตนเสร็จแล้วก็ได้ขอบวชกับพระศาสดา พระ อ, องค์ก็ทรงเหยียดพระหตัตถ์ออกไปทรงตรัสว่าเอหิภิกขุกุ่สัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยเราตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปจากทุกโดยชอบเถิดพอพระองค์เจ้าตรัสเท่านี้จบลงบริขารแปดอันเป็นทิพย์ก็เรื่อนลอยมา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 ทานดังกล่าวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแกคุณบุตรผู้นี้เมื่อพระ อ, องค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วก็ทรงแนะนำให้ไปหาบริขารแปดซะก่อนแล้วจึงมาขอบวชใหม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพระ อ, องค์ได้เหยียดพระหัตถ์ออกเรียกว่าเอหีภิกขุอุปสัมปดาแล้วเป็นนั้นว่าผู้นั้นมีบุญแท้ผู้นั้นไ ด, ดได้ให้ทานอัศบริขารมาแตชติก่อน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 เมื então, und, ่อบ erm ุคคลได้มาบำเพ็ญทานการกุศลพร้อมด้วยการวิรัตละเว้นจากบาปโทษบนทินต่างๆดังกล่ามานั้นเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์สะผลทั้งในปัจจุวันและเบื้องหน้าในปัจจุวันนี้ก็เป็นพูดมาไปด้วยบริษัทปริวานมิตรญาติสหาย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 อันนี้เป็นอานิสง์ในปัจจุบันที่ซึ่งมองเห็นได้ชัดชัดเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์ย่อมได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้โดยไม่ต้องได้ทำไร้ไถนาไม่ได้ทำการค้าขายเหมือนอย่างมนุษย์โลก อ, อันนี้บุญกุศลอ น, นิหักเนรมิตร สมบัติพัะสถานต่างๆให้ตามต้องการเมื่อพระ อ, องค์ทรงสแสดงอานิสงสผลแห่งทานศิล์เป็นการฟอกจิตของยศคุณระบุนั่นแหละให้ขาวสะอาดเหมือนกับสบู่หรือว่าผงซักฟอกสำหรับซักฟอกผ้าปอนที่งวหมองด้วยคุณละอองทุรีให้ผ้านั้นขาวสะอาดดี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 เลื่อนขั้นขึ้นไป <c oughs> ก็ได้แสดงโทษแห่งกามคุณให้ยศกุลบุตรฟังโดยทรงยุคอุปมาอุปมาม า, าว่ากามทางหลายนั่นเหมือนอย่างร่างของสัตว์ ท, ที่ตายแล้วบรรดาพวกแร้งก็ดีกานน ก, ก็ดีสุนัขจิ้งจอกก็ดียื้อแย่งกันกิน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 ดังที่เราคงรู้คงได้ยินได้ฟังกันมาเนละไอ้เรื่องเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกอันนี้มันก็ล้วนตั้งแต่แย่งกรรมาคุณกันนี้เองนยะไม่ใช่อย่างอื่นใดแล้วกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างหอกดาบแหลนเหลาคอยแต่จะทิ่มแทง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 ต้องได้รักษาต้องได้กังวลห่วงใงกันอยู่นั่นแนะมีเงินมีทองเข้าของมาแล้วยิ่งมีคนพยายามที่จะมายื้อแย่งเอาไปถ้ามีเมียสวยๆงามๆยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเป็นเวนดีไม่ดีเขาฆ่าตัวตายซ้ำเลยอันนี้ก็มีอยู่ทมงไป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 เพราะว่ามันโสกปกโสม ม, มีกลิ่นก็เหม็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละทรงเปรียบกามทั้งหลายเหมือนกับยืมของสิ่งของของคน อ, อ, อื่นมาเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องส่งคืนเขาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นหละบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใข้พอใจต่งตางๆตนได้มาครอบครอง โย่ไปไปถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแตกดับทําลายไปก็เท่ากับว่าเป็นของยืมเขามาใช้ชั่วคราวนั้นเองเนี่ยอันนี้แหละวันดาว่าโทษแหงกรรมคุณทั้งหลายที่พระบรมศาสตร์ได้ทรงแสดงให้พุทธทบริสัททั้งหลายฟังไว้อ่ เมื่อยศคุณบุบุได้ฟังโพธิ์แห่งการมคุณนี้แล้วก็มีจิตใจเบื่อหน่ายในกามท้งหลายเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นจิตของยศคุณระบุเบื่อหน่ายในกามทางหลายอย่างนั้นแล้วก็จึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกามว่าบุคคลเมื่อหากว่ามีจิตใจ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 เช่นนั้นแล้วจิตใจก็คลายจากกามคุณกามตัญหาทั้งหลายออกไปมีใจสงบระงับเป็นอย่างดี <S <s ต่อจากนั้นพระพุทธภาเจ้าจึงได้ทรงแสดงอริยสัจเจะธรรมทั้งสี่ให้ยศคุณระบุฟังเมื่อยศคุณระบุได้ฟัง อริยสัจจะธรรมทั้งสี่นั้นจบลงก็จึงได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริ ย, ยบุคคลในพุทธศาสนานี้ใจความในอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นั้นพระองค์ก็ทรงยกทุกนี่แหละขึ้นมาแสดงก่อนเพราะว่าทุกนี้มันมาป ร, ปรากฏอยู่ชัดๆอยู่แล้วใครๆก็ย่อมมองเห็นได้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 ในที่สุดมันก็จะหมุนไปหาความแตกดับเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่นี่ภาษาสราจึงได้ทรงตรัสว่าเมื่อพุกคนมาเห็นทุกเบื่อหน่ายในทุกข์ดังกล่าวมานี่แล้วปารนาจะพ้นจากทุกเหล่านี้นั้นก็ต้องเป็นผู้มาละตันหาเสียตันหาหมายถึงความอยากความทะเยอทยานอยาก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 เมื่อมันยึดถืออไว้แล้วมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาการแสวงหานั่นบางทีเมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องแสวงหาเอาในทางทุจริตนี่เพราะว่ามันกลายเป็นความโลภพอไปแล้วบบนี้นะเมื่อมันอยากได้มากๆขึ้นไปก็เลยกลายเป็นความโลภเร่งเพ่งเลงเห็นคนอื่นเขาล่ำเขารวยเขาได้อะไรมา ตามประสงค์อย่างนั้นโอ้ตนก็ไปวางแผนยื้อแย่งเอามาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเข้าไปเรนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้เกิดบาปอากุศลขึ้นมาบาปอากุศลเหล่านี้แหละอํานวยผลให้บุคคลผู้กระทําเช่นนั้นนะ่ะเป็นทุกข์ไปในทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เพราะฉะนั้นแหละพระศ า, าสดายิ่งทรงสอนให้ละตัณหานั่นแหละ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 แต่มันก็ยังมาติดอยู่ในรูปกายอยู่ในขันหานี้ยังไม่สามารถจะปรงจะวางขันหานี้ได้แต่ถ้าหากว่าหมดอายุสังขารลงท่านก็ว่าไปเกิดในพรหมโลกเป็นลูปกระผ ม, มเพราะเป็นผู้ระงับกา ม, มาวิตกเสียได้มีจิตใจสงบอยู่ในฌานเพ่งรูกเป็นอารมณ์อยู่ อย่างนี้แหละอันนี้สงอันนี้พาให้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมที่มีรูปแต่อย่างนั้น ท, ทาิเฐียว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหานั่นเมื่อบุคคลภาวนาประเด้เพ่งรูปนี้อยู่ก็ามาเบื่อหน่ายในรูปนี้แต่เบื่อหนายหากไม่มีปัญญาที่จะสอนจิตให้ปล่อยให้วางได้ อาศัยแต่การเพ่งอย่างเดียวเพ่งเพื่อให้รูปอันนี้มันหายไปจากดวงจิตเมื่อเพ่งนานๆเข้ารูปนี้ก็หายไปจากดวงจิตจริงๆจิตที่ปรากฏว่างเลยแบบนี้นะ่ะอันนี้ว่างนะ <c oughs> เมื่อจิตว่างลงไปแล้วก็ยึดความว่างนั้นนะ่ะเป็นอารมณ์ไปแบบนีนะ้ท่านเรียกว่าอารุ ป, ปริชาน เนวสัญญาาสัญญาัตนะอากินัญญายตนะนั่นแหละหมนีนั่ยเป็นอรูปฌานเมื่อหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นพรมพที่ไม่มีรูปท่านเรียกว่าอารู ป, ปพรมอันโมนีล้วนแต่เป็นตันหาทั้งนั้นเลยแต่เป็นตันหาชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นผู้เจริญสมถาวิปัสสนาแล้วท่านจะไม่ถือมั่น ในสมาธิในฌานเหล่านี้ไว้จะต้องเจริญวิปัสนาทําความรู้เท่าฌานรูปฌานอรูปฌานเหล่านี้เสมอแล้วก็เจริญวิปัสนาเพ่งพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อเห็นว่าบุคคลมาดับตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้ว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 เมื่อเวลามันแปรปวนวันไหวไปแตกดับไปก็เป็นทุกข์เป็นโศกก็ อ, อะไรมากมดังนั้นแหละ